วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาสจจมาภาพได้มีโอกาสมาพบกตับรบรรดาท่านผู้นับศึกษาธรรมทั้งหลายว <c oughs> ามจริงการฟังธรรม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 ในขั้นบริกรรมภาวนาตามแบบฉบับของขั้นอาจารย์เสาอาจารย์มั่นขั้นอาจารย์เสาอาจารย์มั่นทัานเป็นพระเถระที่ทรงคุณในทางการปฏิบัติสมาธกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานา ของภาคสีสารบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เต๋ออาจารย์มัน่นเป็นคนเมืองไหนอาจจะมาจะได้นำประวัติของท่านมาเล่าโดยยอ่อๆท่านอาจารย์เตา๋า และท่านในการมั่นเป็นชาวเมืองอุบลโดยกำเนิดท่านในการเสาเกิดที่อำเภอเมืองท่านในการมั่นเกิดที่อำเภอสงเกรียมทั้งสองท่านนี้ในเมื่อได้มาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแล้วก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมวินยัย เพียงแค่การให้รู้หลักธรรมอันเป็นหลักการปฏิบัติในทางด้านจิตโดยตรงคือเรียกว่าท่านเรียนเป็นกรรมฐานโดยตรงในตอนรแรกๆพระพุธงกรรมฐานในสายนี้ก็ไม่ค่อยมีใจจะสนใจเท่าไหรนัก จะเป็นปอเหตุใดนั้นไม่ขอนำมาเก่า <c oughs> ได้แต่เก่าเฉพาะวิธีปฏิบัติของท่านเ่งท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นได้ปฏิบัติกสมาฐานเริ่มตนด้วยบริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้ ไม่เฉพาะแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเพราะบริกรรมภาวนาแต่ละอย่างนั้นเป็นแต่เตียงอารมณ์เป็นคู่ของใจเตียคู่บริกรรมนั้นจะต้องน้กในคำใดคำหนึ่งตำตำตัดตั จกณกาตั้งทำจิตให้ติดอยู่ในรัมบริกรรมภาวนานั้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นก็ <c oughs> เพราะเหตุว่าโดยธรรมชาติจิตของคนเดานั้นยอมส่งกระแสไปรู้อารมณ์ต่างๆปุกแท่แต่อารมณ์นั้นๆจะผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกเล่นใยแหละใจ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 เรามีความรู้สึกนึกคิดจนนับไม่ถวนดังนั้นอุบายวิธีการบริกรรมภาวนาหรือนึกอยู่ในคำใดคำหนึ่งํำๆตัษๆก็เพื่อจะให้ติดอยู่กับคำที่นึกนั้นแล้วจิตของเราจะได้ลืมนึกถึงอารมณ์สิ่งอื่น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 เพื่อแพลงสงสัยใดๆในวิธีการที่จะภาวนาให้เกิดผลมีแต่ว่าตั้งใจทำจริงหือหลักว่าภาวนาให้มากๆและทำให้ชำนิํำนานเมื่อเรามีความภาคเพียรพยายามที่จะจะทำให้มากๆ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 แต่นี่เรายังทำไม่ถึงพอทำไปนิดหน่อยเกิดทุกเวทนาขึ้นมาครอบงำแล้วเราก็หยุดเสียงหากเราภาคเตียนพยายามทำให้มากๆทำบ่อยๆแล้วก็ทำไม่หยุดหย่อนเราก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้ อาจจะมาได้ล่าวนี้ตอนต้นแล้วว่าท่านทั้งหลายผมจะได้ศึกษาธรรมะและมีความรู้ความเข้าใจกันมากมายพอสมควรดังนั้นณนะโอกาสนี้จิงใกล้ที่จะขอเตือนท่านทั้งหลายให้ตั้งใจกำหนดกิต บริกรรมภาวนาตามที่ตนจำนิจจำนานมาแล้วอย่างไราหากท่านจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานภายในใจของตัวเองว่าบัดนี้ท่านจะทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิ โดยจะให้รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็นึกในใจของตัวเองว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็น้อมใจเชื่อลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระ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 จิตมีอาการเพิ่มๆลงไปใกล้ๆกับจะง่วงนอนข่าให้ตึงรู้เถิดว่าจิตของเรากำลังเริ่มจะสงบแล้วเพราะจิตที่จะสงบในเบื้องต้นนั้นใครจะว่าการอย่างตรงไปลงมาก็คืออาการนอนหลับเพราะ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 ซึ่งทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันทั้งหมดบางท่านก็รู้สึกว่ามีกายเบาจิตก็เบาแล้วจิตก็ค่อยก้าวเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยๆไม่มีกาอาการมู่กากเกิมก็ตั้งจิตสงบ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 ลมหายใจปลากปขึ้นในความตู้สิกก็ให้กาหนดรู้ลมหายใจตามรู้ลมหายใจเพียงแต่รู้เท่านั้นอย่าไปนึกคิดอะไรทั้งนั้นลมหายใจสั้นก็ไม่ตองว่าลมหายใจยาวก็ไม่ตองว่าลมออกตั้นก็ไม่ว่าลมออกยาวก็ไม่ว่าลม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 มีสิ่งที่รู้คือลมหายใจปรากจตอยู่ตลอดเวลาตัวสติสระชัญญาจะค่อยมีกำลังกล้าสุดสามารถควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพสงบได้โดยอัตโนมัตินี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายซึ่งทำความเข้าใจอย่างนี้และถ้าหากว่าจิตของผู้ภาวนานั้น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 เมื่อภาพต่างๆปรากฏขึ้นแล้วก็ให้กําหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปทําความเอกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายนอกถ้าหากเราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่ในความสงบในสภาพปกติโดยไม่ไปเอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเอกก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดไป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 บางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเช่นอย่างเห็นภาพผีเปรตหรือเทวดาเป็นต้นบางท่านอาจจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขามาขอส่วนบุญเราแล้วเราก็ไปนึกแผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาในเมื่อนึกขึ้นมาอย่างนั้นจิตก็อถอนจากสมาธิภาพนินดๆทั้งหลายนั้นก็หายไป อันนี้ก็ไม่ค่อยจะร้ายแรงเท่าไหรนักแต่ถ้าหากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความเห็นนอกเหนือไปกว่านี้โดยสำคัญว่าภาพนินดๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อจะโดนบันดาลจิตใจของเราให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้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 ถ้าหากไปมองเห็นภาพนิม็ดของผู้ที่เขาเราเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษปาปลาปวดตายให้มองเห็นแล้วเราอาจจะน้อมเอาภาพนิม็ดนั้นให้เข้ามาสู่ตัวของเราหรือสู่จิตใจของเราเพราะความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่มาจากที่อื่น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 เราต้องการจะทําให้จิตมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิโดยความเป็นอิสระของจิตเองถ้าหากว่าจิตจะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาก็เป็นสมมตภาพของจิตเองไม่ใช่สิ่งบันดาลดังนั้นขอให้ท่านนักศึกษาธรรมะในนักปฏิบัติทั้งหลายถึงทําความเข้าใจในเรื่องนิมิตต่างๆ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 ในเมื่อเราอยากรู้อยากเห็นพอจิตสงบเคลิมเคลิมลงไปอยู่ในระดับแห่งอุปจารสมาธิในตอนนี้จิตของเราจะฝันดีนะักถ้าหากเรานึกถึงอะไรแล้วจะเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นม า, าหากเราสามารถที่กําหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวโดยไม่สำคัญมั่นหมายในนิมิตนั้ น, น, นเราก็จะรู้สึกว่ า, าจะรู้สึกว่าภาพนิมิต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 เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติบางทีภาพนิิดนั้นอาจจะแสดงเรื่องอสุภกรรมฐานหรือภาพกรรมฐานให้เรารู้เราเห็นก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะสามารถทำให้สติสัมปชัญญขขะญญของเราดีขึ้นแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้ว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 เคยพิจารณากรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจนทานิทานานด้วยการน้อมลึกคิดแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็สามารถที่จะบรรดาลให้เกิดความรู้ความเห็นในภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นมาได้ดังนั้นเราจรึงสามารถที่จะแบ่งขั้นของอัปปนาสมาธิได้สองตอน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 เคยพิจรารณาธาตุรมาฐานมาแล้วก็ดีเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งลงไปแล้วจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่าจิตถอนตัวออกจากร่างแล้วก็ทรงกระแสะมารู้เรื่องของร่างกายจิตจะมองเห็นกายในลักษณะต่างๆจะเป็นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะมีความสงบนิ่งเฉยสว่างเด่นอยู่และกายที่มองเห็นในความรู้สึกของจิตนั้นก็จะแสดงปฏิกริยาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้นั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานมาจนทำนิกทำนานด้วยการน้อมนึก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 ปฏิบัติเริ่มต้นแต่บริกรรมภาวนาหรือในขั้นพิจารณาสุภากรรมฐานภาสกรรมฐานหรือพิจารณาพระใจรักในขั้นอนิจจมุกขังอนัตตาซึ่งดีกว่าขั้นวิปัสสนาขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายถึงทําความเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้ที่นี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะไม่พิจารณาอะไรละ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 เพียงแต่รู้ว่าจิตมีความคิดอย่างเดียวเท่านั้นรูแ้แล้วก็ไม่ต้องไปวิภาควิจารณ์หรือไปช่วยจิตคิดอะไรเพิ่มเติมเป็นแต่เพียงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้สิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้รู้โล่อยู่อย่างนั้นแล้วสิ่งใดดับไปก็รู้เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทภูเกิดขึ้นแล้วมันก็ เป็นอนัตตาอะไรทำนองนั้นไม่ต้องไปนึกคิดในขนาดนั้นถ้าว่าเรานึกคิดแล้วสมาธิมันจะถอนกลินมาอีกเราจะไม่สามารถควบคุมจิตของเราให้จดต้องดูความคิดที่เกิดขึ้นนั้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นับปฏิบัติพึงระวังให้ดีเมื่อออกจากสมาธิในขั้นบริกรมรมภาวนาถ้าจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้ว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 จิตหรือรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นตัดจิตในทันทีทันใดก็หาไม่เราจำเป็นจะต้องกำหนดรู้ความรู้สึกในจิตของเราอยู่ตลอดเวลาแม้จะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดติดเราก็ก็ให้ตั้งสติกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวไปมาของกายวาจาและใจของเราอยู่ตลอดเวลา การตามรู้ตามเห็นความเคลื่อนไหวกายหรือการพูดการนึกการคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะจดจ้องดอูนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแบบที่เรียกว่าสามารถทำให้จิตเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ <c oughs> ในตอนต้นต้นมือผู้มาเตือนว่า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 โดยปกติของธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมนี้ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติของธรรมอันเป็นสภาวะธรรมที่จะพึงเป็นไปนั้นก็คืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกต า, า, าความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความไม่เป็นตัวเป็นตนคือมีการสลายตัวนั่นเองเข้าในหลักที่ว่าทุกติ่งทุกอย่างในโลก ย่อมมีความปารากฏขึ้นในเบื้องตน้นและมีความตรงอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดย่อมสลายตัวทีนี้การปฏิบัติธรรมาเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่เราจะเริ่มต้นปฏิบัติแต่เมื่อไรการปฏิบัติธรร ม, มเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ ที่เราเริ่มตื่นจากที่นอนมาแล้วเมื่อเราเต่นจากที่นอนมาแล้วเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายจะต้องเข้าห้องน้ำจะต้องแปลงกวันจะต้องอาบน้ำทาละลายจะต้องขับถ่ายซึ่งเป็นจิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง ถ้าหากเราจะใช้าการพิจารณากรรมฐานต้องๆกันไปเราก็จะได้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่าทำไมเราจรึงต้องแปลงฟันที่เราต้องแปลงฟันก็เพราะว่าฟันมันเป็นของขปลวกๆทำไมเราจรึงต้องอาบน้ำที่เราอาบน้ำก็เพราะว่าร่างกายมันเป็นของขปลวก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 มันก็เป็นบอกเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บนี่เราก็ได้ความรู้กว้างขวางออกไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในขั้นต้นในขั้นต่อไปเราจะต้องพิจารณาว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับ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 เราก็ให้เงินเขาไปมันก็เป็นการสมดุลกันในลักษณะที่ถ้อยจีถ้อยอาศัยซึ่งกันและ ก, กันเป็นการปฏิบัติทอบด้วยศีลและธรรมแต่ถ้าหากสมมติว่าเราอาจจะคิดว่าเราจะไม่ซื้อไม่หาคอยสวยโอกาสเมื่อเจ้าของเผลเอแล้วก็หยิบสวยออกมาแล้วมันจะผิดศีลข้อไหนมันก็ผิดศีลข้ออธินาทาน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 อย่าให้มีอะไรขาดตกบกพร่องผู้มีบิดามารดาก็เลี้ยงบิดามารดาให้สมบูรณ์ผู้มีลูกเมต้าก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้สมบูรณ์โดยยึดหลักว่ามาตาปิตุอุปัทานังอุตตธารดะสังตาโหการอุปทานเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ยังปล่อยให้ครอบครัวท่านต้องลําบากอยู่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 ใกล้เข้ามาก็คือกายกับใจของเหล่านั้นเองในีุคือหลักการปฏิบัติเกี่ยวอาธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักปฏิบัติแหละทั่วทั่วไปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการทำสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าหากสมมติว่าใครก็ตามมาภาวนาจิตสงบแล้วเกิดความขี้เกียจที่กล้านเบื่อหน่ายไม่เอาตุละจิตการงานอันนั้นก็ไม่ถูกต้อง พยักจมติว่าใครภาวนาเป็นแล้วเดิมเป็นคนที่เกียจในการที่จะจัดการบ้านการเรือนให้เป็นระเบียบเรีเยบร้อยภาวนาเป็นแล้วมีความหมั่นความขยนันขึ้นรู้จากหน้าที่ของตัวเองเป็นการ เ, เป็นอันดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อคนในครอบครัวซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนั้นจึงจะได้ชัวว่าเป็นการภาวนาที่ถูกต้อง ถ้าการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบรรดาท่านทั้งหลายตำรับวันนี้ก็เห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรความจริงนั่นการฟังธรรมนี้ควรจะได้นั่งสมาธิไปด้วยดังนั้นนะ้าโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดเตรียมนั่งสมาธิตามแบบฉบับที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไร ขอทุกท่านจงสํารวมจิตของตนเองให้รู้ลงที่จิตแล้วก็เย็ดเหนียวเอาบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตอย่างใดอย่างหนึง่งตามที่ตนเคยํานานมาแล้วแล้วก็กำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียว พระจิตเป็นเพื่อนฐานให้เกิดความรู้จิตเป็นเพื่อนฐานให้เกิดธรรมะธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่จิตพระจิตเป็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ภายในจิตของเรานั่นแหละคือพุทธะพุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้เบิกบาน ในเมื่อท่านกำหนดรู้ลงที่จิตด้วยบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนึกถึงพุโทโธเป็นต้นในเมื่อนึกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธปัติสัมปัญญาไม่ต้องไปกำหนดหมายเมื่อเราเนึกถึงพุโทโธแล้วสัติสัมปัญญามาเองเพราะว่าจิต เป็นผู้ระลึกรู้คำว่าพุทธโธเมื่อเราตั้งใจจะนึกถึงคำว่าพุทธโธเมื่อไรความตั้งใจก็เกิดมีขึ้นความตั้งใจอนันต์นี่นคือตัวสติให้กำหนดติดเล็กปริกรรมภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านผู้ใดจะภาวนาพุท ป้อมลมเข้าโผลปอมลมออกก็ได้ภาภาวนาุทดป้อมลมเข้าโผล่อมลมออกมันยังมีท่วงห่างอยู่เกิดสามารถตรงกระแสไปในที่อื่นได้ก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วก็ไม่กุดโผลกุโพล่กุโตลกุโผุโตให้เร็วๆเข้า นาทีของท่านมีแต่เพียงวันเล็กพุพโธพุพโธพุธโตอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปนึกว่าเมื่อใดจิตจะสงบเมื่อใดจิตจะรู้เมื่อใดจิตจะเห็นอะไรเพราะการภาวนานี้ไม่ใช่เพื่อเห็นภาวนาเพื่อให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิ เพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเองว่ามีสภาพเป็นอย่างไรแม้แต่เรากำหนดบริกรรมภาวนาลงไปเราก็สามารถรู้ได้พันธีว่าจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหรือไม่ เมื่อเรารู้ว่าจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็กำหนดจดต้องลงที่จิตแล้วนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตละจากพุทโธเป็นนึกถึงสิ่งอื่นเราก็รู้ว่าจิตของเราไม่อยู่กับพุทโธแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งอื่นเราก็เอามาไว้กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธตามเดิม เมื่อเจจูกับพุทโธกับเจพทท้พุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อเจตราจากพุทโธไปนึกถึงสิ่งอื่นเดรารตัวแล้วก็รีบเอากลับเกิดมาให้อยู่กับพุทโธก็มีแค่นี้สำหรับการบริรรมภาวนาพาท่านผู้ใดจะพิจารณาอะไรตามที่ตนเคยถนัดมา ก็ตามจิตพิจารณาไปตามแนวทางที่ตนเคยชำนิชำ น, นันท่านเคยภาวนาสัมมา阿拉หังก็ภาวนาสัมมาอ阿拉หังเรื่อยไปภาวนายกหนอฟองหนอก็ยกหนอฟองหนอเรื่อยไปทำบริกรรมภาวนาทุกอย่างเป็นบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระดึกของสติ เป็นเครื่องล่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อเรามานึกถึงสิ่งเดียวบ่อยๆเข้าเลิกให้มากๆทําให้มากๆจน ท, นทนานิทํานานจนจิตของเราติดอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นแล้วจิตของเราก็จะลืมเลิกถึงสิ่งอื่นจะมานึกอยู่เฉพาะแต่ทำบริกรรมภาวนาน ในท่านตนตนนี้จะรู้สึกว่าจิตเนิกอยู่ที่คำภาวนาเป็นส่วนมากในบางครั้งก็จะนนเนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อเนิถึงสิ่งอื่นเมื่อไรแล้วเราก็เอามาไว้กับคำบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาจิตสงบลงไปหากจะมีอาการอะไรเกิดขึ้น เล่นมีอาการ <c oughs> ร่างกายมีอาการสั่นหรือโยกโครงหรือมีความรู้สึกคล้ใยๆกับตัวลอยอยู่บนอากาศรู้สึกว่าตัวใหญ่โตฟองขึ้นรู้สึกว่าตัวเล็ ก, กลงแล้วเกิดตามสว่างขึ้นมาอย่าไปสำคัญมั่นหมายในเหตุการเหล่านั้น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 เราเอาจิตไปติดอยู่กับมิตนั้นเราจะไปรู้แต่สิ่งภายนอกแล้วจะไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตภายในว่าเป็นอย่างไรในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จักตุกแทงสมาธิไม่ถูกบางทีอาจจะไปสำคัญว่าภาพมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นเป็นภูมิวิปัสสนาไป แต่แท้ที่จริงนั้นมันเป็นติดเพียงความฝันในขั้นนี้เพราะจิตเมื่อสงบเคลิมเคลิมลงไปแล้วจิตจะมีลักษณะใกล้ๆกับไม่มีสติจิตจะมีอาการเลื่อนลอยเต็งฟางไม่มีที่เกาะไม่มีที่จิตเมื่อจิตนึกถึงสิ่งใดขึ้นมาจิตก็จะเกิดภาพนิมิตสิ่งนั้น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 ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นกระโหลกศีษะกระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกขาที่ใดที่หนึ่งโดยน้อมนึกายในจิตว่าเราจะดูกระดูกตรงหน้าอกแล้วก็กําหนดลอกหนังออกกําหนดเหยือเนื้อออก นกกลับไปกลับมาหลายหลายครั้งจนกระทั่งจิตเชื่อมัน่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่หน้าอกแล้วก็หยุดนึกเสียแล้วก็บริกรรมภาวนาว่าอธิอธิอธิอ ธ, อ ธ, อธิเมื่อจิตสงบลงไปอีกครั้งหนึ่งจิตสามารถที่จะมองจิตกระดูกตรงที่หน้าอกเป็นนิมิตอย่างชัดเจน ในเมื่อจิตมองเห็นกระดูกที่หน้า อ, อกแล้วท่านก็ควรกําหนดรู้อยู่เฉยๆในขั้นนี้ยังไม่ต้องไปพันรนานักษณะของกระดูกหรือสีสันวรณณะต่างๆเป็นแต่เพียงกําหนดรูอยู่เฉยๆเท่านั้นเมื่อจิตมองเห็นนิมิตกระดูกที่หน้า อ, อกอย่างชัดเจนถ้าหากว่าจิตถอนจากสมาธิ กระดูกหายไปในความเห็นจิตไม่มองเห็นกระดูกหน้าอกขีกถ้าต้องการอยากจะรู้จะเห็นอีกก็กำหนดจิตจดจ้องพิจารณาอย่างเ่าแล้วก็เนกบริกรรมภาวนาว่าอตาิอติอติเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตก็จะมองเห็นกระดูกอิกฝึกหัดจนรมนิชคำนานอยู่ในสิ่งสิ่งเดียว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 แม้แต่เจตู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสิ่งเดียวคือกระดูกหน้าอกเท่านั้นก็มีคุณค่าเท่าเท่ากันกับรู้หลายๆายอย่างรู้สิ่งเดียวขอให้รู้จริงจริงเพียงแต่กาหนดดูกระดูกอย่างเดียวนอกจากเราจะได้นิมิตในแง่อสุภกรรมาฐานแล้ว เรายัางจะไดน้นิดในแง่พาสกรรมฐานรลอถ้าหากไม่สาคัญมั่นหมายในแง่อสุภะกรม ร, ธธกรมฐานในือพาสกรรมฐานเจ็ดของท่านผู้ที่ก้าวเร็วอาจจะไปสําคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาว่าแม้ความรู้ความเห็นมันก็ไม่เที่ยงกระดดกเครื่องเป็เครื่องรู้เครื่องเห็นมันก็ไม่เที่ยง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 ทีนี้แลักษนะของจิตรู้ในขั้นของสมถะกรรมฐานนั้นอย่างไรรู้ในขั้นวิปัสนากรรมฐานนั้นอย่างไรตาจิตมองเห็นกระดูบแล้วกว็ยึดเอากระดูกเป็นนิมิตมองจดจ้องดูอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความรู้ขั้นสมถะกรรมฐาน ถ้าหากว่าจิตสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่ความรู้พิสดารยิ่งไปกว่านั้นสามารถกาหนดกระดูกไปรู้เห็นนั้นให้เล็กลงหรือให้ใหญ่ขึ้นเหลือให้มีอันสตลายตัวไปเหลือให้มีอันเป็นไปในแง่ว่าเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟ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 อั น, นิี้จะสัญญายังไม่เกิดขึ้นภายในจิตก็ยังเป็นภูมิสมถะกรรมฐานอยู่นั่นเองแต่ถ้าจิตปฏิวัติไปสู่ความเปลี่ยนแปลงความไม่ยังง่งยนืนความไม่คงที่จิตก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูม่มแห่งวิปัสนาแต่ยังไม่ใช่ยิปัสนาอย่างแท้จริง ก็จิตยังไม่ยอมรับเมื่อจิตยอมรับว่าสิ่งที่รู้เห็นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มีความรู้สึกตึงลงไปในจิตแล้วก็ยอมรับความเป็นเช่นนั้นว่าเป็นจริงจิตตัดสินโดยความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่า เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอัตตาจริงๆแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงในตอนนี้จิตเศ้าเป็นสู่ภูมิมแห่งวิปัสสนาอันนี้หมายถึงวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเอาวัตถุเป็นเครื่องหมายแห่งการรู้การเห็นเมื่อตายลากดอยู่เวทานาสัญญาสังขารยินยานก็ย่อมปลากฏ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 ในตอนนี้สุ ข, ขเวทนาก็หายไปทุกเวทนาก็หายไปยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาพระสุขทุกเกิดอยู่ที่ตายถ้าจิตจังรู้จักว่าตายอยงปลากรดอยู่ก็มีเวทนาคือสุขและทุกหรืออุเบกขาปะปนกันไป ถาหาสจิตพิจารณากายจนตายหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นกายก็ยังเหลือแต่นามธรรมคือตัวรู้จิตตัวผู้รู้เนี่ยสามารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรมาา ม, มือสูงที่รู้ปรากรดอยู่ในลักษณะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิต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 สิ่งที่ให้รู้ก็มีอยู่จิตตัวผู้รู้ก็เด่นอยู่อยู่ในลักษณะเพียงแค่รู้จักแต่ว่ารู้จักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไรแม้แต่ตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เรียกตัวเองว่าจิตแม้แต่สิ่งที่รู้จิตก็ไม่เรียกว่าอะไร เป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่เพียงแค่นั้นอันนี้พอจะหาหลักเทียบในประศูตรได้แล้วหรือยังสิ่งที่จะเทียบในประศูตรก็คือว่ายังกินติตสมุทยะธรรมมังตัดทานตังนิโรธาธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ึงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมชาตอันนี้เป็นความรู้ของท่านัญญาโกลพันญะเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมท่านใดจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ก็ไม่สามารถที่จะเรียกชื่อได้เพราะไม่มีสมมติบัญญัติดับจะทำเพื่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัตินั้น ย่ำไม่มีเสื่อเสียงเรียงนามว่าจะกมมต์บัญญัติเรียกว่าอะไรมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่จากนั้นเพราะอาศัยที่ท่านอัญญาโกลพัญญะรู้อย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านเป็นเราโสดาบันเพราะฉะนั้น จึงกันอันได้ใจความว่าความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่สามขั้นตอนตอนต้นเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาความทรงจำที่เราอาศัยเป็นหลักหรือเป็นแนวน้อมนักพิจารณาเป็นจะพิจรารณา อัตรายรับษ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีโลกกับนามเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้โดยน้อมนึกเอาว่าโลกเบทนาสัญญาสังสารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนาในขั้นปฏิบัติเมื่อตูวมาพิจารณาโลกเบชนาสัญญาสังสารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ม่อจิตจอมรับในเชื่อมั่นในความเป็นที่ตัวเองคน้นคิดพิจารณาแล้วจิตจะเข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจิตดกด็สา ม, มารถที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ตามแนวทางที่เราได้น้อมนึกพิจารณามาแล้วนั้น ความรู้ในขั้นนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเจรโ้อะไรขึ้นมาเจดกับสิ่งที่รู้นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้ในขั้นนี้มีสมมติบรรยัติตามภาษานิยมของโลกเมื่อเจรู้ตามรู้ตามรู้ตามเห็นสิ่งที่รู้ไป เดี๋ยวค่อยสงบลงไปเรื่อยเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องโูภของของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติเมื่อจิตมีเครื่องโลภสติมีเครื่องละลึกก็เป็นอุบายทําจิตให้สงบละเอียดลงไปจนกระทั่งเจ็ดโลภเจ็บว่าตายไม่มีมือแต่จ็บเพียงเดียวรวนรวน แล้วจิตก็จะสามารถรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแต่คาว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาในความ ร, รู้จึกในขณะที่จิตูโเห็นอยู่จะไม่มีจิตจะมองเห็นโดยสิ่งที่รู้ที่เห็นตากรการอยู่เท่านั้นแต่ไม่มีสมมติบัญญัติใดๆที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไร อันนี้จิตเดินในขั้นวิปัสสนากรรมาฐานอย่างละเอียดมเมื่อจิตกำเนิดโลตเพียงเกิดจับเกิดกับเกิดจับสู่แค่นั้นไล้ไม่ได้นไดกว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในขณะนั้นก็าตามเมื่อจิตเเฟ่งจ้องมองดูความเกิดจับอยู่ภายในจิตจิตก็จะย่ำแแเจิตจะย่ำจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเอง และความรู้ตึกว่าจิตเส้นตูปโอมวิปัจนานั้นเราจะกาหนดรู้เอาตอนไหนเรามาจิตนิ่งลงไปแล้วมีแต่สิ่งที่รู้เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีภาษาที่จะสมมติปัญญัติเราจะกาหนดที่ตรงไหนว่าเป็นเครื่องหมายของวิปัสสนาธรรมฐ า, านอันนี้จิตต้อได้กาหนด เมื่อเจ็บถอนออกมาจากความสงบและความรู้เช่นนั้นพอมาเกิดรับรู้สัญญาในทางภายนอกมือความรู้สึกว่ามีตายมีกายศาสภาพครบบริบูรณ์แล้วจิตจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งที่เรารู้เห็นอยู่ภายในเมื่อแต่กี้ย นั่นหละเจอลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะธรรมอ น, นุปัศาศาสสภสมมติบัญญัติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตอตอจกจากสมาธิมาแล้วมเมื่อเต็มเดชสัมมาสัมโพธิเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในจุดที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ย่อมไม่มีสมมติบัญญัติ ละสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจธรรมคือของจริงในเมื่อสัจธรรมของจริงปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติย่ำอยู่เหนือสมมติบัญญัติจังนั้นในธรรมมาจากสภาวัตนสูตรจรึงได้เพียงว่ายังจริตสมุทัยรรมังสัพพันตังนิโรธรรมมันติจสิงใดริงหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา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 สือละปริภาวิตโสมาธิมหัพโลโหติมหานิสังตตสมาธิปริพาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังตาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเทวะอาตเวหิวิมุตติเสนอกรมสมาธิสมาธิอกรมปัญญาปัญญาอกรมจิต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 ถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาก็เป็นตามาสุขขันธ์ได้ตาโนโยถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็เป็นอัตต์วิรมัติฐานโยถ้าจะดูในแง่กันหาถ้ายินดีก็กามาตันหาถ้าติดก็ภวะตันหาถ้าไม่ยินดีก็วิภวะกันหา พาหะจิตโดยความเป็นปกติภาพนิ่งเด่นดูแม้อะไรจะผ่านก็ามาก็นิ่งเด่นดูอย่างนั้นไม่มีความยินดีไม่มีความยินได้ไม่มีควา ม, า ม, ม, วามติดไม่ยึดไม่ถืออะไรนิโรธคือความดับก็ปลากปขึ้นคำว่านิโรธความดับนี่ไม่ใช่ว่าดับจิตโดยไม่มีความรู้สึก มันดับแต่เพียงอาการแห่งกิเลสเท่านั้นแต่อาการแห่งความรู้ซึ่งว่ายังจริงจิตสมุทพยะธรรมนั้นยังปรากฏอยู่ที่มีเพียงแค่ว่ามีสิ่งเกิดดับเกิดดับปรากฏอยู่ภายในจิตเท่านั้นยังมีหลักฐานที่จะพึงเดินยันอีกว่าในกานใดใดทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ตามผู้มีเพียงเพ่งอยู่ ในตานนั้นความสงสัยของตานนั้นย่อมสิ้นไปอันนี้เป็จุดสูงสุดของการปฏิบัติจิตทีในี้ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตาม่าติจะไปทำความเครือบแคลงสงสัยในวิธีการนั้นๆการปฏิบัติแบบไช้ถูกหมดไม่มีอะไรผิด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 ค่อนข้งที่จะเรียกว่าเป็นความรู้ที่จิตในเมื่อจิตมันปล่อยวางก็กลิ่งทุกอย่างลงไปแล้วไปมีความสงบนิ่งเด่นอยู่ม้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ตัวจิตผู้รู้มันก็ยังมีปราบกฏอยู่เจตตัวผู้รู้เนี่ยไม่มีการดับกุฏะเตอผู้รู้กุฏะเตอผู้ตึงทุฏะเตอผู้เกิดบาด จะปราบกดเด่นทัดต่อเมื่อจิตตัดกระแสแห่งอารมณ์ตัดกระแสแห่งกิเลสให้ขาดซึ้นลงไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วไปสงบนิ่งเด่นสว่างสวายอยู่อันนั้นคือธาตุแทแห่งความเป็นพุธธทธปราบกดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติในเมื่อธาตุแทแห่งความเป็นพุธธพทธปราบกดึ้นแล้ว พลาดแค่แห่งคามเป็นธรรมะก็ย่อมปลาบปลดเส้นอยู่ในจุดเดียวกันเมื่อมีทั้งสองอย่างต้อมสังฆคืออริยสงฆ์ก็ปรากปลดพร้อมในจุดเดียวกันเราจะนั้นพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นวิสุทธิธรรมสามารถที่จะรวมเป็นเอกมรรคเจกธรรมเป็นธรรมดวงเดียว คือสามารถปฏิบัติตนไปสู่ภูมจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัติในสอภูมจิตขั้นสุดยอดของนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติู่ในสายแห่งโลกีธรรมก็าอาศัยเรื่องของนามโลกนี่แหละเป็นเรื่องรู้ผู้ปฏิบัติู่ในสายโลกุลัตระเกิโสดามก ชาตา า, ามิมัต์อนาคามิมักต์อรหัตมัตต์ก็อาศัยโลกกับนามนี่แหละเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องละลึกของกติกผที่สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นโทมจิตจะอยากหรือละเอียดกว่ากันนั้นจิแพ่แต่โูมปัญญาของท่าน แต่ความหมดกิเลสสม่ำเสมอกันหมดแต่รวมแห่งความรู้คือสติปัญญานันย่อมน้อยมากกว่ากันบางท่านก็เพียงแต่รู้ว่าตนได้ตนถึงแม้จะนำมาอธิบายให้ใครฟังก็แท่จะหาคำพูดไม่มีบางท่านทำจิตให้สงบลงเพียงนิดหน่อยมีปฏิภาณความรู้กว้างกวางมีโวหาร สามารถที่จะโต้ตอบหรืออธิบายธรรมะได้อย่างละเอียดแล้วออแม้ในสมัยพุทธการและพุทธองค์ก็ทรงยกจ่องท่านัจายนะว่าเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดสามารถอธิบายหัวข้อแห่งธรรมที่ย่อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กว้างขวางทิศฐานได้เพราะฉะนั้นโูมปัญญาของระษาวก ย่อมมีแคบมีกว้างมีละเอียดมีอยากกว่ากันแต่โติมจิตที่สำเร็จความเป็นอริยะบุคคลนั้นมีความเส ม, มอกันโตมจิตที่สามารถทำอาตราะวุติเกเรตให้หมดสิ้นไปนั้นมีเส ม, มอกันแต่โตมปัญญาต่างกันดจะนั้นบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในพระเถระบางท่าน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 บางท่านรู้มีลักษณะรู้ในหมดเกลียด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายให้ถูกต้องตามภาษาสมมดิปัญญ์ดได้โดยถูกต้องหรือตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฟังเมื่อผู้ฟังแต่จะแต่ตำรับตำดาอย่างเดียวจงเฉีไปยกกทษ บางท่านที่ให้คําตอบไม่ถูกต้องตรงตกับความรู้ความเห็นของตัวเองว่าเป็นผู้ไม่มีปุ่มอันนีเป็นจริงที่นักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงสังวนระวังไว้รลเอียดอย่างหนึ่งถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านจะได้ปถือกุ้ถือพักถือชนะว่าหมู่เขาหมู่เราอาจารย์เขาอาจารย์เรา ขอใหถดเถิดพระพุทธธ ร, รมเราสงเป็รนันดรณะที่ถึถถถเ ง, งเถิดกระดากระดาคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นถูพราะชาวกที่เผยแพร่ศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้ผอดแดดจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นเราจะดันการที่ถือพักถือควบถือละทิแห่งการปฏิบัตินั้นยันยังต่อแสดงว่าเป็นผู้ยังมีกิเลส ยังมีอุปาทานในการยึดมั่นถือมัน่นไอ้กระดใดที่เรายังยึดถือมัน่นในพักในพวกในเราในเขาของเราของเขาอยู่เราก็ยังไม่หมดอุปาทานบางคิดขณะนี้โตมตีขณะโน้โจจขนขณะโน้นเติมตีขณะนี้อะไรทานองนี้เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กันจริงๆนั้น ขอได้โปรดทำจิตให้เป็นกลางให้ปล่อยวางลงไปว่าผู้ประเติผิดเข้าใจผิดเป็นบุคคลผู้ที่น่าสงสารพผื่ปฏิบัติถูกทำถูกต้องเลยได้ผลดีเป็นบุคคลผู้ที่น่นาสงสารเผื่อถือทำผิดไม่ใช่ผู้ที่นับปฏิบัติทมจะต้องไปกล่าวเรื่องจากด้วยคาพูดจากใคร มาว่าเขาจะทำผิดก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไปกล่าวเ่วงจากด้วยวาจาที่ยาบคายเป็นการสร้างบาปกรรมขึ้นใส่ตัวเองอย่าไปสาคัญว่าคนทำผิดด่าไม่เป็นไรไม่บาปคนทำผิดเราด่าก็บาปคนทำผิดเราตาหนิก็บาปแต่ถ้าเราติเพื่อก่อนันได้ปุณแต่ตํหนิเพือจะให้เสียหายเสียชื่อเสียเสียงนั่นบาป มันบาดอยู่ที่ตรงไหนก็เรากล่าวคำหยาบผลตวาจายะเวรมณีเจ็บอักุอ่ามันเป็นอักุสน ต, ต, ตัมโบดเป็นวจีพุทธเจดิในเมื่อวจีของเรายังหยาบยังพุจริอยู่มันก็ติดสีนพ่อโมตาว่าเพราะคำหยาบเป็นฉายาแห่งโมตาวา่า เราจะนั้นนับปฏิบัติซึงกังวลระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีพยายามทำความรู้แจ้งเห็นจริงให้มันปรากฏเค้่นภายในจิตของตัวเองถ้าเรายังสำคัญว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นนั่นแสดงว่าเรายั ง, งโง่กว่าเขาถ้าเรามีความสาคัญว่าเราเนี่ยโง่กว่าเขาไม่เก่งเท่าเขา เราก็ยังโง่อยู่อีกนั่นแหละแต่ถ้าเราสาคัญว่าเรามีความรู้สึกเป็นกลางๆมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนั่นเราเล่นตลาดขึ้นมาบ้างเราจะนั้นขอให้สั้งวรระวังในเรื่องการกล่าวตำหนิตีเตียนตึง่งกันอะกันหรือการถือพักถือพวกถือหมู่ถือคณะ พระพุทธเจ้าสอนว่าตัปเททำมาอนัตตาทำทั้งหลายตั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เรายังจะมาถืออาหารการมั่งมังการมีตัวมีตน ม, ม, มีเรามีเขามีภระตีพู้มันก็ผิดต่อหลักคำตอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบนัดนี้เรานั่งสมาธิมาพอสมควรแล้ว ขอให้ทุกขันตรงกำหนดจิดออกจากสมาธิแล้วพั ก, ก่อนถามใหม่อี่ลดได้ต่อเมื่อเรากำหนดที่าระนาดูตั้งแต่เริ่มต้นที่จะนั่งสมาธิว่าเราได้ทำอะไรบ้าง เริ่มต้นแต่จุดทูปเกียนไหวพระสวดมนต์แหเมตตากำหนดอารมณ์เรื่องบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเรื่องรู้เรื่องพิจารณาของจิตแล้วจิตของเรามีความเป็นไปอย่างไรสงบหรือไม่สงบรู้หรือไม่รู้ได้่านสมาธิกันไหนอย่างไร มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีปิติไหมมีความตกไหมมีนิมิตไหมมีความรู้อะไรเกิดขึ้นไหมจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เราจะออกจากสมาธิว่าจุดของเราสงบไหมหรือไม่สงบและทีนี้เมื่อเราพิจารณาดูอย่างนั้นแล้ว เราก็กำห น, นดโล่จิตของเราอีกทีหนึงว่าอะไรมันเกิดขึ้นความคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็กำห น, นดโล่ความคิดอันนั้นความคิดนี้มันดับไปเราก็ปล่อยมันไปความคิดใหม่เกิดขึ้นเรากำหนดรู้เแรบบากตามรู้ให้มันทันความคิดของเราเองสำหรับผู้ที่ บริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่สงบบริกรรอย่างไรมันก็ไม่สงบก็ควรจะเปลี่ยนเป็นวิธีนี้คือวิธีที่จะนั่งหลับตากาตามเริ่มตาก็าตามให้ใครต้องดูความคิดของเราเองว่ามันจะคิดอะไรขึ้นพอคิดอะไรขึ้นมาพักกาหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาพักกาหนดรู้เมื่อเราทำอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไร เราเรดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติจะทําให้สติของเราเด่นขึ้นมีกําลังขึง้นแล้วเราจะสามารถโลดทันความคิดของเราเองเมื่อเราโลดทันความคิดของเราเองต่อไปเราจะคิดอะไรคิดด้วยความรู้เท่าทันสิ่งที่เราคิดนั้นมันจะไม่สามารถดึงเอาจิตใจของเรา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 เราดูอะไรเราได้ยินได้ฟังอะไรหรือสัมผัสอะไรในทางตางหูจมูกเล้นกายใจสิ่งที่จะเพิ่งเกิดขึ้นมันก็มีอยู่สองอย่างคือพอใจไม่พอใจนอกจเกจะจะเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วมันยังจะต้องปรุงแต่งไปอีกแล้วว่าหาเรื่องไปเไรื่อยๆจนตัวเองต้องเกิดทุกข์เกิดเว้นวายขึ้นมา แต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติปัญญารู้เท่ากันเรามองดูอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูรู้อะไรทางจมูกเลื่รบทางลิ้นสัมผัสทางกายแม้จะนึกคิดในใจเรามีสติคอยต้องดูอยู่ไม่เฉยความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติ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 หาที่แก้ไขาอาการสำลักให้มันหายไปแล้วกำหนดติตภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปลู่หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้ตอนนั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อยเอออะไรก็ได้มันเกิดสำลักขึ้นมาก็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 เราจะได้กว่าปวดนอปวดนอปวดหนอปวดน้อยอยู่นั่นถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันพนไม่ไหวก็ทิสต์ะเปลี่ยนอิริยาบถก็มันก็หายไปเป็มไปเตียวก็เรากําหนดรู้ถ้าหากสามารถที่จะถ้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดถ้าเราสามารถที่จะกําหนดจิตที่ยิ่งเข้าสมาธิได้อย่างฉักทันก็ทํา แล้วมันจะหายปวดเพาจิตเข้าสมาธิอย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่มีตัวปลาติดในความรู้สึกในเมตัวไม่มีแล้วความเจ็บปวดมันก็ไม่มีเพราะเวทนามันเกิดจากตายเท่านั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เน่เกิดจากตายส่วนอุเบกขาเวทนานั่นมันเกิดจากใจโดยเฉพาะ <c oughs> เรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางกายนี่เราฝืนไม่ได้หรอก อย่างบางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหารต้องท ร, รมานอย่างนั้นอย่างนี้อย่าอย่าไปทําอาตมาได้เคยอดข้าวเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นเราพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่ยังมีเกลเอเป็นเชื้ออยู่แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนโดวยบนผ่านเติเงด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆ ก็ไม่สามารถที่จะทำเขาให้หมดกิเลสไปได้แต่กิเลตมันจะหมดไปด้วยเหตุผลเราจะรู้เหตุผลก็ต้อง ค, นค้นเคสพิจะะารณาเมื่อเราค้นเคสพิจะะารณาเจ็บมันรู้เหตุรู้ผลว่าทุกเกิดจากไหนสุกเกิดจากอะไรทำอย่างนี้มันเป็นทุกข์ไหมทำอย่างนั้นมันสุขไหมอะไรํำนองนี่มันรู้เหตุรู้ผลกันแล้วมันก็ปล่อยวางไปเองาหากเรายัง ยังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้รูกเด็ดแต่ตมาข่ายยืนยันว่าทีเด็ดไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละเอาได้ทีเด็ดคือละได้คือละการไม่ทําละการไม่พูดแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยตั้งใจละเอาไม่ได้อาถ้าใครไม่เชื่อจะลองลองลองพิจารณาดูเจ็บของตัวเองเกันแล้วกัน การละกิเลสทางกายก็คือศีลห้าข้ออา่าวปฏิบัติตามศีลในข้อที่จะละเมิดเรื่องกายเช่นการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการการดื่มกินสุลาเมรยัยเง้เว้นจากการทำสี่ข้อนี้เป็นอันละกิเลสทางกายเงเว้นจากพูดโกรธพูดต่อเสียพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้เหลีวไหล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 เราภาวนาจดมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียวแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายแักเพียงใดก็ตามแต่สติยังหย่อนสติยังบกพ้องอยู่มันก็ยังไกลต่อความสำเร็จถ้ามีสติสำปัญญาร้อมจนกลายเป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน นั่นแหละจึงจะเกิดปีการประชุมป้อมแห่งอริยมรรคภายในจิตของเราในมาจิตนี้จะติดสัมปัญญามีอริยมรรคประชุมป้อมเตือนธรรมาที่ปัญญามันก็เป็นเจิตติกฝังนั่นอยู่ในจิตจิตเป็นเตืนธรรมาที่ปัญญาใสเตือนธรรมาที่ปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นตัวจิตเองคือในมานะจิตเป็นเตืนธรรมาที่ปัญญาโดยธรรมชาติของศตือนธรรมาที่ปัญญาแล้ว มันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวที่กลับสภาพเป็นความไม่มีกิเล ส, ส, ส, สจิติลจิตจดลักษณะของจิตเป็นแต่เพียงรู้สึกโกรในโกรธจิต รู้ร้อนรู้เย็นเท่านั้นแต่ <en> แต่ไม่รู้ว่าอะไรผิด <lived right. S 2> อะไรถูกอาจจะมาขอ ถ, ถามดูดีว่าไอ้คนนี้คนจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหมแล้วเขาไม่มีจิตหรือเปล่า <ate> อาเวทนานั่นมันก็มีอาจะมาอยากทราบว่าเขามีจิตหรือเปล่าเขาก็ยังมีจิตพอจิตเขาไม่มีกติเขาจึงกลายเป็นคนที่คนจริตติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมกันแล้วถ้าจิตไม่มีอะไรก็ไม่มีทำก็ไม่มี สติก็ไม่มีสทาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบสองอย่างตัอกายกับจิตที น, นี้เมื่อจิตมีแต่ตัวจิตอันเดียวไม่มีกายเป็นส่วนประกอบทำอะไรไม่สำเร็จแต่เมื่อมากอร่างขึ้นเป็นตัวเป็นตนจะ็นโลกเป็นร่างขึ้นมา เนตาหัจมูกเล่นตายใจแล้วจิตอันนี้ก็อาศัยประสาทห้าเประสาทตาประสาทหประสาทจมูกประสาทเล้นประสาทกายแล้วก็ประสาทหัวใจซึ่งเราเรียกว่ามันสมองเป็นสื่สัมพันธ์ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดเครื่งแสดงอาการออกมาด้วยการคิดดีและอคิดั่ว ดังนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้สึกรู้ในรู้คิตแต่หาระเบียบไม่ได้เพี้ยนเลื่อยเอยไปแต่เมื่อมีตติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจติติกจตินี้เป็นเจติติที่ประกอบอยู่ในจิตหากตอนเมตติอ่อ น, ออน ก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนถ้าคนมีอสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยสมัยภาคถ้าสติที่ได้ฝึกฝนอบรมโดยการเช่งพินิดในเครื่องรู้อันเป็นอุบายให้เกิดกำลังกล้าขึ้นมาสติมีกำลังเราเรียกว่าพลังจิตแทนอย่างรักใช้อำนาจจิตทั้งหลายโดยปกติแล้ว เพียงแต่เนกอย่างเดียวเพียงจะใช้พาการเนกอย่างเดียวในจิตมันจะไม่มีพลังจะต้องอาศัยการสึกหัดเพ่ง <c oughs> เพ่งเทียนเพ่งตะกินเพ่งอะไรก็แล้วแต่ในเจิตมีเครื่องโลจิตก็มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมจิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตก็มีพลัง าหากอาศัการเพ่งกสินก็สามารถใช้พลังจิตให้ประโยชน์ในทางโลกได้เป็นอย่างอาจจะใช้พลังจิตเ่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเช่นยลวงปูหมอมนุษยชาศิสยยศาต์ตั้งหลายเป็นมนต์ต่อตูดเป็นต้นถ้าลําพังแต่เนตในจิตว่าให้กระดูกเนี่ยมันต่อกันต่อกันต่อกันมันก็ไม่เกิดไม่ไม่เกิดผล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 เพิ่งทำความเข้าใจว่าจิตนี่สัตว์แต่ว่านึกว่าจิตแต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้แต่เมื่อมีสติข้าประกอบเป็นเจตสิกแล้วการจพดของจิตนั่นจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้นอย่างที่เรามาหัดภาวนานี่หัดเพื่อให้จิตของเราเกิดสติมีสติเต้นแข็งขึ้นเพื่อจะได้จัดระบบความเพียดของจิตนี่ให้มันมีระเบียบดีขึ้น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 อย่างการฟังเทศฟังไปฟังไปฟังไปถ้าหอกว่าไอ้ปุ่มของผู้เทศกับปุมของเรามันไม่ตรงกันเจ็บมันจะไม่เอาไหนมันจะเข้าไปโความสงบแล้วจะค้นก้นาของมันเองต่างหากโดยไม่สนใจกับคำพูดของผู้พูดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะขาดสติแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะให้เจ็บมันอยู่กับคำพูดของผู้พูด พอเสร็จแล้วมันไม่เป็นลักษณะของความสงบแต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่นจะมันเลืมเล่มไปอันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติ <c oughs> กชิ่งทุกอย่างในโลก <c oughs> มันเป็นงที่มีคนมีประโยชน์และมีความึงตามขั้นปุ่มของเขา หลักวิชาเศรษฐศาสตร์เขาก็มีความจริงตามขั้นภุมของเขาเป็นอยงบนต่อกระดูบดังที่ว่านั้นความจริงมันก็ปรากฏเป็นส่วนมากคื่ว่าผู้ที่เขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อกระดูบได้แม้นระดับจนขั้นกัญญาจนเต้นคนหลวงสุภาพตลาใสก็ส่งในวิชาต่อกระดูก <c oughs> เป็นยังไเมื่อเอาภาถ า, าวิชาศยาศาสตร์มาบริกรรมเลยมาท่องบนนั้นมันเป็นการผิดหรือไม่อันนี้ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ความรู้จริงความรู้ความรู้เท่าเอาทันสองผู้ไ ท, พกกทาาไไ้พระพุทธเจ้ากใช้วิชาศ ย, ายาศาสตร์ในกาวจําเป็นใครจะเห็นไหมพระพุทธเจ้าใช้วิชาคาศยศาสตร์ อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการท่องบนคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิตอันนั้นเกินสยบาตรใบอะไรที่เราท่องบนซึ่งเป็นคนาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทน ในความสําเร็จตามความปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าไสยศาสตร์เช่นท่องบนคาถาอกร์เช้นท่องบนปูมุยังปูนุยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยศาสตรถ้าเราไปไหว้พระถ้าทูตัวทูตไปไหว้พระแล้วกรุ๊งนี้ขอให้สุขเราจะได้รางวัลที่หนึ่งอันนี้ไสยศาสต แต่ถ้าเราท่องบนดว้วยกราบไหว้โดยมุ่งที่จะทําให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการติดฝนอบรมจิตเป็นพุทธศาสตร์เรือยๆอาจจะเป็นคาถาในศาสนาพราหมณ์ที่เขาท่องบนก็ตามแต่ถ้าเราเอามาท่องบนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพ่ให้รู้จริงเห็นจริงโดยไม่ต้องอาศัยฐานขออะไรอะไรเป็นพุทธศาสตร เาท่งพุโทโธพุโทโธพทโธพุโทพโธแล้วเราขาเอ่อภาวนาพดทอแล้วเริภาวนาแล้วขอให้ร่ํำให้รวยอะไรทำรองเนี่ยมันเป็นเรื่องของตสายาสตร์ใหญ่พระพุทธโลกองเดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งไสยาศาสตร์เป็นได้ทั้งทั้งตัวศาสตร์แล้วแต่เพื่อนั้นจะกาหนดไปในด้านไหนอย่างสมาทินี่กับไสยาศาสตร์เหมือนกัน อย่างสมมติว่าทำสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูอได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติหรือให้เกิดพลังเจตเจตช้ในการที่จะบังคับกดจิดตรมเหยงน้ําจตจําใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นสยาตาแล้วยังเป็นนิสขาสมาธิอก แต่ถ้าทำไปเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเมื่อแต่ความบริสุทธิ์สะอาดจิตกางเดียวอันนั้นคนก็ไปฝากเรีนเรียนเราเราทำความรูิสึกของเรา วตจารณ์อย่างที่เขาเรียนแล้วมันมันมาเกิดความยุดติธรรมมาเกิดความอยุจติธรรมขึ้มนมาเป็อย่างสมมติว่าไป ต, ตามเรียนมห า, เ, าเรียนเคกระนีมหานิยมอ่าเรียนกระนีมหานิยมพระพุทธเจ้าว่าเป็นติรัะฐานวิยข า, เ, าเรียนเครื่องรางของขลังจะเป็นติรัะฐานวิยขาทําไมจึงว่าอย่างนั้นท่านได้ําหนดเอาตรงที่ว่า เมื่อเก่งแล้วขาดศีลและทำไม่มีศีลหา้าทำอย่างไม่มีศีลหา้าว่านั้นตดอย่างเร่อนมนต์เสน่เก่งแล้วอยากได้รูปขาวใครก็เอาสีพุ่งไปจิกเอาไว้ก็วิ่งตามอันนี้มันไม่ยุดติดทำเป็นการติดตีสมเหตุเป็นอย่างคนที่เขาไม่เลื่อนไส่เราเขาไม่นับถือเราแล้วเอาวิชาคมด้วยคมจิกคมใจให้เขามารับถือเราอันนี้มันไม่ยุดติดทำ เป็นการทำเยี่ยงกับเอรักาแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ตันหนิฮะตเมื่อเราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนั้งังหมด เป็นอายังอะไรที่มีคาถาต่อกระดูกแบบหนึ่งจะการวยะถาปตัตโตเอโกปัตโตอธิษฐานนี้เกิดขึนเมื่อท่ามหาราศทั้งสี่ออบาสสี่ใบไปถวายพระพุธทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าจะอธิษฐานเข้า้องไครคนใดคนหนึ่งก็กลัวจะเสียพระทยัยจึงออบาส ท, ทั้งสีที่มารวมกันเข้าแล้วพระองค์ก็อธิษฐานจิตว่า จะตาโลจะขาปัโตเจโตปัโตอธิษฐานบาตรนี้มีสี่ใบเราอธิษฐานจิตเพื่อให้บาตรนี้รวมเป็นใบเดียวกันเมื่อเกิดก็เป็ติ๊กเจ้าใช้ติสกเจ้าติ๊กเจ้าไม่มีประโยชน์หรืว่าไม่มีประโยชน์และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นตุ่มของเขาคือมีประโยชน์นั่นคือมีประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ใช้ให้สืบศิ่งละทำ แต่ถ้าไปใช่ผิดศีลทำแล้วไปใช้ให้มันทําให้คนเองต้องเดือดร้อนแล้วอันนั้นเรียกว่าตีรัข้านวิชาเทนั้นเพราะเท่า น, นั้นเลขาอาคมหรืออาวุธเป็นอย่างอาวุธเป็นอย่างนเตือนอย่างเงี้ยนะกันที่ไม่มีเยศีลแล้ว ท, ทำก็เอาใช้แต่ในทางที่ไม่ถูกต้องออ กิเลสคำว่าจิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองใจแต่จิเลสก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามอยากยังจะเห็นได้ชัดในวันนี้สี่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศเน์นอกอยากอานอกจากอยากจะโลธรรมะ แล้วก็ยืนอยากจะได้บุญอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสทางนั้นแต่ว่าที่เรามีกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งะต้นเตือนตามรูปตึกของเราให้เกิดตามกระตือรือร้นเป็นผู้ที่จะสร้างโลก ก่อสร้างหลักฐานให้มั่นคงก็อาศัยอำนาจที่เลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตันหานี่ละกามทเยทยานมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเต็นจต่มันเป็นยุสัยของขารวาสผู้ครองเรือนถ้าารวาสหมดจากโลกมันจะมันถ้าฆรวาสหมดจากแล้ว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 แตหากว่าใครจะใช้กิเลส ใ, ในทางไหนก็ตามให้เล็กถึงศสียนห้า ก, ก้ออยากรวยอย่าเลิเป็นขโมยอยากรวยอย่าเลิเป็นโจรปล้อนอยากรวยอย่าช่อโป็อโมโดยเอาศสียนข้ออธินาทานมาเป็นตอบสข มียกตัวอย่างไม่ให้ฟังเพียงข้อเดียวนอกนั้นจิดเอาเองในอีกอันหนึ่งที่ชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดและทำหนี้ต่อพระเจ้าเป็นหลายปีมาแล้วได้ยินท่านโตโรท่านหนึ่งเขียนบทตามไปอ่านในที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัดเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดสมัยนั้นมีเตียงเจดสิบ็ดจังหวัด เมืข้าตามตอนหนึ่งว่า <c oughs> ท่านสอนในทางพระพุทธศาสนาบางอย่างพระสง์ไม่ควรนำมาสอนประชาชนพระจะทำให้ประชาชนที่เกียร์งอือวงอเท้าเช่นคำว่าสันโดษเป็นต้นอันนี้ก็เรื่องเข้าใ จ, จติดทำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างกัดทัดคำว่าสันโดษนัแปลว่าความพอ ไม่ได้หมายความว่าพอเฉพะเท่าที่มีอยู่พอเท่าที่มีอยู่พอตามสติกำลังคว า, ามสามารถของตนนี่มาไขความอยู่ตอนนี้ใครจะมีคว า, ามสามารถใช้สติปัญญาของตนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมขนาดไหนอย่างไรก็ตามใชไปเถอะ แต่รวมลงแล้วก็คือว่าจะให้เต็มขอบเขตของศีลห้ากันแล้วกันมันอยู่ในหลักอันเดียวกั น, นในเอเจนต์หนึ่งศีลห้าข้อเนี่ยนอกจากจะจ ะ, จะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นโอบายตัดผลเพิ่มของบาปกรรมวันนี้เรามีศีลห้าบริบูรณ์ถ้าเราแยดศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติตลอดไป บาปทำที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบาทที่เราจะต้องไปรับในการข้างหน้านั้นมีเท่าไหร่ก็ยุติอยู่เพียงแค่นี้ถ้าหากเราไม่แข่งในเกณฑ์หากก้าข้อเราจะละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เรียว่าบาปกเก่าแทนที่มันจะมีน้ําหนักเพียงกิโลเดียวถ้าไปทํากกเพิ่มก็จะหนักขึ้นเีศหนึ่งก็เป็นกิโลเศษขึ้นไป ท, ท่นเท่าไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีถ้าเรางดเย็นไม่ทําแล้วมันก็ยุติกันเพียงแค่นี้ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไปการข้างหน้าเราไม่ได้ทำํำเราทำแต่ความดีผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่เพิ่มสึ่งเพราะฉะ น, นั้นหลักการทําความดีเนี่ยแต่ต้องหมายความว่าเราต้องทันดีทําดีทันดีทันดีอย่างเดียวเท่านั้น ในมื่ตั้งใจแต่จะทำดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆไปเพราะเราไม่ได้ทำความทั่วมาเป็นเพื่อนสวงความดีมันก็บ่มทัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกั น, าากนตามภาษาพูดแต่ความจริงถ้าเราใจชั่งน้ำหนักถ้าสมมติว่า มันเป็นจริงตึ้งเป็นวัตถุบนกระบาบเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วมันก็มีน้ำหนักเท่ากันเป็นของเบาบาบเป็นของหนักอันนี้เป็นโัวาหารในทางเทศเป็นครอบเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ การเรียนไสยาศาสตร์ราศีดำไม่ใช่ราศีเขาดำเพราะการเรียนไสยศาสตร์มันดำเพราะเขาใช้ไสยศาสตร์ไปทําความเั่วเดี๋วกาไปทําในสิ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเมื่อทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมมันก็เป็นความบาปบาปมันก็ทําให้พฤติกรรมนั้นหมดสง่าราศี ไยศาสตร์มันเป็นของกลางๆโดยเฉพาหลักวิชาเป็นของกลางๆไม่ได้ทําให้คนหน้าดําหน้าแดงหรืออะไรได้ทั้งนั้นแต่ที่ทําให้คนต้องหน้าดำก็เพราะว่าใช้ตสยศาสตร์ไม้ศึกษามันก็เหมือนอกันกับคนที่ทํำการทั่วๆบ่อยๆเนี่ยเกี่ยหน้าเขาะจะไม่ผ่องใสหน้าตามันดําอะไรทํานองนี้เหมือนกัด ด้วความไม่คิตอย่างนั้นมันจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็ตามกําหนดตอยู่ที่จิตแต่ บ, บริกรรมภาวนาเท่านั้นแล้วจิตมันจะค่อยสงบลงไปเองถ้าเราไปแปลใจหรือเอกใจได้ทักท้วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจิตมันจะถอนจากสมาธิอาจจะถามาเลยบังอิญมีอาจารย์ที่มนฝังในนันองหนึง่ง ในพอท่านภาวนารรมจิตสงบแล้วอธิษฐานจิตมันก็เกิดลาภตัโลกก็เกิดเพื่อนที่จะตาอย่างอาจารย์บางองค์ที่ท่านปลุกเสกของของที่วางอยู่ในพานเนี่ยพอปลุกเสกได้ที่แล้วของนั้นมันจะกระโดดบางทีก็กระโดดตีกันผงคขังผงคขังขึ้นมาก็มีอ่าในสายโลกเสกของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นนี่มีโยงองค์หนึ่ง แต่องนั้นไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเตกไม่ได้เรียนไสยศาสตร์อะไรหรอกถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้วถ้วยโผโอตายอยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยห่างประมาณสักเม็ถึงนี่กะโดดตีกันโผงขามโผง ผ, าง ผ, งผาง่ามขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้ก็มีได้อำนาจของจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีพลังมากพระเจ้าจึงกหนดตอบเจลเอาไว้ว่า นึกถ้าสมาธิสัมมาสมาธิการเริ่มต้นด้วยการภาวนาเนี่ยคือให้มีตีนแล้วก็จเจริญเมตตาเนี่ยเพื่อฝึกผัดจิตของผู้ภาวนาให้มีความรู้สึกละอายต่อบาปอกุศล